50 languages. สก h i s ารขนส่งมวลชน Public transport. ป้ายรถโดยสารอยู่ที่ไหนคะ Bus stop. รถเมล์คันไหนไปกลางเมืองคะ ฉันคะขต้องนรถสายไหนดีคะ ติ๊กติดคิดเงิกี่ป้ายก่อนจะถึงกลางเมืองคะเฉชัดถ้าจะจากที่คิดเงินบัสจะต้องลงรถที่นี่ค่ะคุณต้องลงข้างคุ่ณต้องลงข้างหลังค่ะคล่ะคตหล่ะคุณต้องลงข้างหลังค่ะอุตาณคุณต้องลงข้างลังค่ะ อีกห้านาทีรถไฟขบวนต่อไปจะมาค่ะอาลิซัฟเ5ีอีกสิบ น, นาทีรถรางขบวนต่อไปจะมาค่ะอากลิรอ ม, 10, มนอ10นาทีไม่จะมาอีก1ิห้านาทีรถเมคันต่อไปจะมาค่ะอกลบัส15นาทีไม่จะมาี รถไฟใต้ดินเที่ยวสุดท้ายเมื่อไรคะอาครีสเวกับจะเอรถรางเที่ยวสุดท้ายเมื่อไรคะอาครีทรัมกเอรถเมทเที่ยวสุดท้ายเมื่อไรคะอาครีบัสกับจะเอคุณมีตั๋วรถไหมคะกะาบกีพ้าสติ๊กเ ตัวรถหรือไม่มีดิฉันไม่มีตัวรถค่ะติกเต नहीं मेरे पास टिकट नहीं है งั้นคุณต้องเสียค่าปรับค่ะ फिर आपको जुर्माना देना होगा